รักบรรดานิทานสีขาวเรื่องกล่องกระดาษของพ่อคะ่ะ <c oughs> มีพ่อลูกคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่ชายป่าพ่อมีอาชีพปลูกผักและเก็บไปขายในเมืองส่วนลูกชายอายุสิบขวบมีหน้าที่สำคัญคือไปโรงเรียนและตั้งใจศึกษาหาความรู้ลูกชายของคนปลูกผัก เป็นเด็กเรียนดีมีมารยาทเป็นที่รักใคร่ของครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ที่พบเห็นแต่มาในระยะหลังผู้เป็นพ่อสังเกตเห็นว่าลูกมักจะกลับมาบ้านด้วยหน้าตาที่บึ้งตึงเหมือนมีเรื่องขุนมัวอยู่ในใจจึงเรียกเข้ามาคุยด้วยในเย็นวันหนึ่งลูกรักระยะหลังมานี้พ่อรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยมีความสุขนักหน้าตาของลูกบึ้งตึงไม่ชวนมอง โดยเฉพาะเวลาที่กลับมาจากโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกบอกความจริงกับพ่อมาเถิดลูกชายไม่คิดปิดบังพ่อของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ที่ผ่านมาเห็นว่าพ่อเหนื่อยเพราะทำงานหนักจึงไม่อยากรบกวนให้ต้องมากังวล เ, เรื่องของตนอีกแต่ครั้นเมื่อพ่อเอ่ยปากถามมาเช่นนี้เขาก็จำเป็นต้องพูดความจริงออกไป ที่ห้องของผมมีนักเรียนย้ายมาใหม่รขบพ่อเขาเป็นลูกคนมีเงินแต่ชอบดูถูกคนแล้วก็มักรังแกเพื่อนที่อ่อนแอกว่าเสมอเมื่อเขาเห็นว่าผมสอบได้คะแนนดีและได้รับคำชมจากครูบ่อยๆเขาก็มักพูดจาถากถางและคอยกันแกล้งผมตลอดเวลาลูกชายระบายให้พ่อของเขาฟังอย่างข้างแทนใจแล้วลูกทำอย่างไรเมื่อโดนเขาแกล้งผู้เป็นพ่อถาม ผมก็พยายามไม่สนใจครับแต่เขาก็ไม่ยอมลดละผมคิดว่าผมคงทนเขาไปได้อีกไม่นานหรอกครับพ่อสักวันผมจะต่อยเขาเอาให้เลือดของเขาไหลออกมาล้างปากเสียๆของเขาบ้านพูดจบผู้เป็นลูกก็ตกใจวูบขึ้นมาทันทีเพราะนึกได้ว่าตนเองเผลอใช้คำพูดที่มีความรุนแรงออกไปเขาเหลือมองหน้าพ่อคิดว่าพ่อจะต้องโกรธมากแน่แน่ เขาพ่อสอนเขาเสมอให้เป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษไม่ทำตัวเก๊ะมาร่กเกเลหาเรื่องชกต่อยกับใครแต่ทว่าพ่อของเขากลับไม่ได้พูดหรือแสดงอารมณ์ใดๆออกมาลูกชายช่างใจดูท่าทีของพ่ออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะต่อว่าผมรู้ว่าพ่อไม่ชอยผมก้าวเล้าแต่ผมทนไม่ไหวแล้วครับ ผมอยากให้ไอ้คนที่มันทำกับผมรู้จักกับความเจ็บปวดแล้วก็อับอายบ้างมันจะได้รู้ว่าคนอื่นเขารู้สึกอย่างไรเวลาที่ถูกกั่นแกล้งผู้เป็นพ่อมองหน้าลูกชายและยิ้มน้อยๆเขาบอกแก่ลูกด้วยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันเลยว่าอีกสามวันจะเป็นวันเกิดครบสิบเอ็ดขวบของลูกตัวพ่อเองยากจนไม่เคยให้ของขวัญอะไรลูกเลยแต่ปีนี้ เป็นปีแรกที่พ่อจะให้ของขวัญแก่ลูกลูกชายรู้สึกงุนงงที่จูจ่ๆพ่อก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยอย่างไรก็ตามเขารู้สึกดีใจมากและเฝ้านับวันรอให้วันเกิดในอีกสามวันข้างหน้ามาถึงเร็วๆครั้นเมื่อถึงวันเกิดของลูกชายคนปลูกผักก็นำของขวัญมามอบให้แก่ลูกชายของเขาตามสัญญาเป็นกล่องกระดาษสีขาวและสีดำขนาดใหญ่ อย่างละหนึ่งกล่องพ่อครับทำไมต้องให้ของขวัญกับผมต้องสองชิ้นละครับถึงผมจะอยากได้ของขวัญจากพ่อแต่แค่ชิ้นเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับลูกชายเก่าแก่พ่อด้วยความเกรงใจด้วยรู้ว่าพ่อขายผักแต่ละครั้งได้เงินมาไม่มากนักลูกรักพ่อตั้งใจมอบของขวัญให้ลูกเช่นนี้เองเพราะมันจำเป็นแก่ตัวลูกทั้งสองกล่อง จงรับไปจากพ่อเธอลูกชายก้มลงกราบเท้าพ่อและกล่าวคำขอบพระคุณอย่างซาบซึ้งใจจากนั้นเขาจึงลงมือแกะเชือกที่ผูกกล่องกระดาษสีขาวออกเพื่อเปิดดูว่าพ่อให้อะไรเป็นของขวัญความตื่นเต้นแปลเปลี่ยนเป็นความงงงวยเมื่อลูกชายพบว่าในกล่องสีขาวใบนั้นไม่มีอะไรอยู่เลยเขาเอี้ยวคอหันไปมองหน้าพ่อเป็นเชิงคาถาม เปิดกล่องสีดำดูด้วยสิลูกรักพ่อของเขากล่าวแทนคำตอบลูกชายรีบแกะเชือกที่ผูกกล่องกระดาษสีดำออกแต่ในกล่องสีดำก็ไม่มีอะไรอยู่เลยเช่นเดียวกับกล่องสีขาวนอกจากรูขนาดใหญ่ที่ถูกเจาะเอาไว้ใต้ก้นกล่องเท่านั้นพ่อครับไม่มีอะไรอยู่เลยนี่ครับลูกชายบอกกับพ่อของเขาพ่อลืมใส่อะไรลงไปหรือเปล่าครับ หรือเป็นเพราะว่าก้อนกล่องกระดาษสีดำรั่วของที่พ่อใส่ไว้ก็เลยหล่นหายไปโดยที่พ่อไม่รู้ครับผู้เป็นพ่อยิ้มให้ลูกชายอย่างใจดีก่อนจะเดินไปนั่งลงข้างๆลูกชายพร้อมกับบอกว่าพ่อคงให้ของขวัญแก่ลูกได้แค่กล่องกระดาษสองใบนี้แต่ของที่อยู่ข้างในลูกจะต้องเป็นผู้ใส่มันลงไปเองกล่องกระดาษสีขาวเป็นกล่องแห่งความสุข ต่อไปนี้เมื่อไรก็ตามที่ลูกได้พบกับสิ่งดีๆหรือเรื่องที่ทำให้ลูกมีความสุขขอให้ลูกจงเขียนมันลงไปในใส่กระดาษแล้วนำมาใส่ไว้ในกล่องสีขาวส่วนกล่องกระดาษสีดำคือกล่องแห่งความทุกข์ไม่ว่าอะไรที่ทำให้จิตใจของลูกมัวหมองเป็นทุกข์ไม่สบายใจให้ลูกเขียนและนำมาใส่ไว้ในกล่องสีดา แล้ววันหนึ่งเราจะมาเปิดกล่องทั้งสองใบนี้ดูด้วยกันแม้จะไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อจะต้องให้ทำเช่นนั้นแต่ลูกชายก็ย้อนทนาตามคำของพ่อแต่โดยดีทุกๆวันเขาจะนำเศษกระดาษมากมายที่เขียนเรื่องราวดีๆในชีวิตหย่อนลงไปในกล่องสีขาวแล้วก็เอาเศษกระดาษอีกมากมายที่เขียนเรื่องไม่ดีหย่อนลงไปในกล่องสีดำโดยผู้เป็นพ่อคอยเฝ้ามองการกระทานี้อยู่เงียบ 3เดือนผ่านไปเย็นวันหนึ่งลูกชายกลับมาจากโรงเรียนด้วยอารมณ์ที่พลุ้งพานยิ่งกว่าวันไหนๆเขาโยนกระเป๋านักเรียนลงบนเก้าอี้ด้วยความกราดเกลี้ยวและทำท่าจะผุนผันออกจากบ้านไปอีกครั้งแต่คนปลูกผักสังเกตเห็นเขาก่อนเขาปราดเข้าไปยุดตัวลูกชายเอาไว้แล้วสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมทนไม่ไหวแล้วครับพ่อไอ้คนเลวคนนั้นมันดูถูกพวกเรามันว่า พ่อเป็นแค่คนปลูกผักยากจนมันว่าเราสองคนเป็นคนชั้นต่ำไม่มีเกียรติแล้วมันยังขโมยหนังสือเรียนของผมไปทิ้งในทางขยะอีกด้วยผมจะปิดจัดการมันจะทําให้มันเจ็บและกรจำไปจนตายเลยที่มันบังอาจมาดูถูกพ่ อ, องผมลูกชายพูดอย่างโกรธแค้นขบขลามแน่นจนได้ยินเสียงกรอดกรอดดังลอดไรฟันออกมาคนปลูกผักไม่ได้โกรธตามลูกชายไปด้วยเขาเพียงแต่ถามลูกว่า วันนี้ลูกเขียนเรื่องสุขและทุก์ใส่ในกล่องสีขาวและกล่องสีดำหรือยังลูกชายประกาศเสียงกล้าวทันทีว่าผมจะไปจัดการไอ้คนนั้นก่อนให้มันรู้ว่าเราจะไม่ยอมให้มันมาดูถูกเราได้อีกลูกต้องไปเขียนก่อนพ่อของเขาบอกเสียงเรียบเรียบเพราะวันนี้เราจะเปิดกล่องสองใบนั้นออกดูด้วยกัน ลูกชายมองหน้าพ่ออย่างฉงนไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อจะต้องให้เปิดกล่องพวกนั้นในเวลานี้ด้วยแต่เขาม่ใช่เด็กดือ้อจึงยอมข่มอารมณ์โกรธลงชั่วคราวแล้วทำตามที่พ่อบอกหลังจากย่อนกระดาษความสุขความทุกข์ลงในกล่องกระดาษสีขาวและสีดำเป็นที่เรียบร้อยผู้เป็นพ่อจึงบอกให้ลูกชายยกกล่องกระดาษสีขาวมาวางไว้บนโต๊ะหน้าบ้าน โอ้โหแค่สามเดือนที่ผมเส่เษกระดาษลงไปผมไม่คิดเลยครับว่าจะทำให้กล่องสีขาวหนักได้ถึงขนาดนี้ลูกชายอุทานอย่างคาดไม่ถึงผู้เป็นพ่อยิ้มและบอกว่าทีนี้ลูกก็ไปยกกล่องสีดำมาวางตรงนี้ด้วยสิกล่องสีดำน่าจะหนักกว่านี้อีกนะครับพ่อเพราะว่าผมใส่เรื่องที่ไม่ดีของคนที่ชอบแกล้งผมเอาไว้มากทีเดียว แต่ทันทีที่ลูกชายยกกล่องกระดาษสีดำขึ้นจากที่ตั้งเดิมของมันเศษกระดาษมากมายที่เคยอัดแน่นอยู่ภายในก็พากันร่วงพูออกมาจากก้นกล่องบัดนี้กล่องกระดาษสีดำก็เบาหวิวไร้น้ำหนักเพราะไม่มีอะไรหลงเหนือยอยู่ในนั้นอีกแล้วลูกชายหันไปมองหนะ้าพ่อพ่อผมลืมสนิทเลยครับว่ากล่องใบนี้มีรูอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะเก็บเศษกระดาษพวกนี้ไปใส่ในกล่องใใหม่นะครับ แต่ผู้เป็นพ่อบอกว่าเก็บไปทําไมล่ะลูกเมื่อมันร่วงออกมาจากกล่องแล้วมันก็คือขยะใส่กลับเข้าไปไม่ได้อีกลูกไปเอาไม้กวาดมากวาดมันทิ้งไปให้หมดเถิดต่อไปกล่องแห่งความทุกข์ของลูกจะได้ว่างเปล่าไม่มีความขุ่นคล้องหมองใจอะไรหลงเหลืออยู่อีในขณะที่กล่องแห่งความสุขของลูกจะเต็มไปด้วยความสุขอยู่ตลอดเวลาคนปลูกผักหยุดพูดครู่หนึ่ง เอื้อมมือไปลูบศรีรษะลูกชายเบาๆอย่างรักใคร่ก่อนจะพูดต่อว่าอันที่จริงเมื่อลูกบอกพ่อว่าลูกทนคนที่กั่นแกล้งทำร้ายลูกไม่ไหวนั้นพ่อก็ไม่เห็นว่าทำไมลูกจะต้องทนเขาด้วยเพราะเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องทนเลยเพียงแค่ลูกไม่เก็บเอาสิ่งแย่ๆที่เขาทำกับลูกมาขังไว้กับตัวเองไม่ต้องไปทาความรู้จักกับมันความทุกข์นั้นก็รั่วหัวใจของลูกไม่ได้ ดูในกล่องสีขาวสิลูกความสุขความภูมิใจของลูกตั้งมากมายก็อัดแน่นอยู่ในนั้นทำไมลูกถึงมองข้ามไปกับเลือกที่จะรับเอาแต่ความทุกข์จากคนที่เขาทำลายลูกมาไว้กับตัวเองฝ่ายเดียวและทิ้งความทุกข์ซึ่งไร้ประโยชน์กับชีวิตของลูกแล้วอยู่กับสิ่งที่ทำให้ลูกเป็นสุขไม่ดีกว่าหรือ ลูกชายมองหน้าพ่ออย่างอัศจรรย์ใจเขาเพิ่งเข้าใจความหมายของกล่องกระดาษทั้งสองใบแจ่มชัดในวันนี้เองความโกรธครึ้งที่มีต่อเพื่อนคนนั้นค่อยๆจางหายไปหัวใจผ่อนคลายไม่มีบีบรัดแ้นเหมือนเมื่อครู่ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะกล่องแห่งความทุกข์ของเขาว่างเปล่าไปแล้วนั่นเองทุกวันนี้ลูกชายของคนปลูกผักได้ดิบได้ดี มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขพ่อของเขาจากไปนานแล้วด้วยโรคชราแต่เขาก็ยังคงเก็บรักษากล่องกระดาษสีขาวและสีดำเอาไว้กับตัวเพื่อระลึกถึงความดีและคำสั่งสอนของพ่ออยู่เสมอเธอทั้งหลาย ช่าง น, น่าชงนจริงๆที่คนเรามักจะจดจำเรื่องที่ทำให้ตนเองเจ็บปวดได้แม่นยำและยาวนานกว่าความสุขอีกตั้งมากมายที่เราเคยรู้จักสิ่งที่คนปลูกผักมอบให้เป็นของขวัญแก่ลูกชายไม่ใช่แค่กล่องกระดาษสีขาวหรือสีดำแต่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขด้วยการละทิ้งความทุกข์แล้วทำความรู้จักกับความสุขที่มีให้มากกว่าเดิม เพียงการให้ที่แสนจะธรรมดาครั้งนี้แค่ครั้งเดียวก็ทําให้ลูกของเขารู้จักกับความสุขไปจนตลอดชีวิตเราอาจจะเลี่ยงคนสกรปรกที่ชอบโยนขยะและความโสโครกมาใส่หน้าบ้านของเราไม่ได้แต่เราก็เลือกที่จะไม่ก้มลงเก็บมันเข้ามาไว้ในบ้านและกวาดมันทิ้งไปอย่างไม่แยแสได้แน่นอนว่าการรับมือกับคนจําพวกนี้ เป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยหน่ายเพราะคนสกรปรกมักมีความสกรปรกอย่างเหลือเฟือสำหรับตนเองและคนอื่นๆแต่ถ้าเราทำได้ต่อไปความสกรปรกก็จะหายไปจากหน้าบ้านของเราเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนับเป็นโชคดีของเราที่ได้อ่านเรื่องราวของกล่องกระดาษสีขาวและสีดำเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จงให้อภัยแก่คนที่มักใส่ร้ายและกลั่นแกล้งเราอย่างไม่ยุติธรรมเถิดพยายามรักเขาให้ได้แม้จะยากเย็นเมตตาเขาแม้จะแสลงใจสงสารเขาให้มากกว่าที่เคยเกลียดเพราะแค่ความสกปรกที่เขามีอยู่ก็ทำร้ายตัวเขาเองมามากพอแล้ว